อธิบายแก้ความเห็นของพู้ออกลุงมาถึงนี้พู อ, ออกลุงแก่หันหน้าพูดกับหมู่ว่าหมู่ทั้งหลายแต่ก่อนกันก็ว่ากันรู้ถึงหลักคือกายจิตแน่ไม่ติดแล้วบาทเมื่อได้มาฟังคุณหลานอธิบายผู้ข้ารู้ได้ว่าความรู้ตนแต่ก่อนนั้นไกลหลักความจริงเพราะปานฟ้ากับดินไกลกันนั่นแหละ ผู้เรานี้ไม่มีคําใดจะแย้งพูดแย้งกับคุณหลานไปได้แล้วเพราะคุณหลานพูดทวนเข้ามาใส่ใจมันถูกหัวใจผู้นี้กึกกึกเอาทุกคําเลยจะให้ผู้นี้พูดแยง้งาคุณหลานไปได้อย่างไรแต่ก่อนนี้ผู้นี้นึกอยากไปฟังโอวาทของพระอาจารย์มั่นอยู่เสมอเมื่อมาได้ยินคุณหลานไปศึกษามากับท่านมาแสดงให้ฟังอยู่นี้ คูนี้มันพอปานได้ไปฟังเฉพาะหน้ากับพระอาจารย์มั่นเลยทีเดียวกันสึ้นอยากไปในวัฏกาลฟังโอวาทของพระอาจารย์มั่นแล้วพระออกลูกพูดชมอยู่อย่างนี้ขณะนั้นก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงแล้วจะค่ำหมดเวลาไปก่อนจึงถามแกว่าอันว่าพระออกลุงว่าปฏิบัติธรรมจิติมาได้ค้นหาวัดหก หกหีมา8พ่อแม่นอกพ่อแม่ในอุปชาอาจารย์สวดขวาใจนอกอุปชาอาจารย์สวดขวาใจในเป็นต้นตลอดก็ อ, ออกลุงค้นหาได้แล้วผู้รู้จริงอยู่ในผู้ออกลุงนั้นว่าผู้อกลุงไม่ควรบอกให้ใครรู้ด้วยเป็นอันขาดเป็นของรู้เฉพาะตนใครอยากรู้ให้พิจารณาค้นหาให้รู้เห็นด้วยตนเองเมื่อใครได้พิจารณาเห็นแล้วผู้นั้นเป็นพระ ผู้ประเสริฐขึ้นในตัวเลยไม่ต้องมี ก, การบวชกับพระอุปชาใดเลยเมื่อพอออกลุงบอกให้คนอื่นรู้ไม่ได้เราแรอัตมาฟังได้ไหมถามแกไปอย่างนี้พอออกลุงแกพูดว่าจะประหารคอขาดไปเดี๋ยวนี้ให้บอกดังนี้พรออกลุงก็บอกไม่ได้เลยจึงพูดกับแกว่าพอออกลุงท่านพระอาจารย์มั่นท่านไม่เห็นจะขัดข้องอัตมาเรียนถามท่าน ท่านได้แสดงให้ฟังเลยอาตมาจะเล่าคำที่ได้ยินพระอาจารย์เทศสอนอาตมาให้พ่อหออลวงฟังจะถูกตามพอออ่อหลวงรู้มาไหมวัดหกนั้นได้แก่จะคุวะตังตาเป็นวัดอันหนึ่งใครจะทำการงานดูรูปทั้งหลายแล้วต้องเอาตาดูจึงจะเป็นผลสำเร็จตามความประสงค์ได้โสตะวัดตังหูเป็นวัดในการฟังเสียง ใครจะสำเร็จในเรื่องราวต่างๆต้องเอาหูฟังคานะวัดตังจะหมูกเป็นวัดในการรู้จักกลิ่นให้สำเร็จตามใจตัวประสงค์ได้ชิวหาวัดตังลิ้นเป็นวัดในการรู้จักรสให้สำเร็จดังใจประสงค์ได้กายวัดตังกายเป็นวัดในการสัมผัสเจรบร้อนอ่อนแข็งรู้จักสำเร็จตามใจประสงค์ได้มโนวัดตังใจเป็นวัดในการรู้ธรรมารมณ์ ได้สำเร็จดังใจประสงค์ได้ใครไม่เอาอายตนะภายในทั้งหกอย่างนี้ทำธุรการงานให้สำเร็จผลเป็นบุญหรือเป็นบาปขึ้นมาแล้วไม่มีอันจะทำเลยต้องหกอย่างนี้เป็นวัดใครจะปฏิบัติดีชั่วยอย่างไรก็ต้องเอาหกอย่างนี้ปฏิบัติให้เป็นขึ้นมาทั้งนั้นส่วนกบท่านั้นพระอาจารย์สอนอาตมาว่าได้แก่ขาสองแขนสอง รวมเป็นสี่ห้ากับหัวหนึ่งเพราะวัดหกต้องอาศัยพวกนี้ตั้งอยู่จึงเป็นอยู่ได้สีมาแปดนั้นได้แก่หูสองตาสองรวมเป็นสี่จมูกสองรวมเป็นหกติ้นหนึ่งกายหนึ่งรวมเป็นสีมา8ใจเป็นลุกนิมิตอยู่ตรงกลางพระองค์ท่านบัญญัติให้ทำสีมาบอกให้เป็นที่สำเร็จสังคกรรมอยู่ตามวัดทั้งหลายนั้นพระองค์ก็บัญญัติ ให้เป็นการถูกต้องตามสีมาภายในตัวดังนี้จึงว่าเป็นการทําถูกต้องได้ส่วนการทําผูกสีมาภายในก็ให้อาจารย์ผู้ฉลาดจับเอาสัจจะสี่ของจริงเป็นหลักพิจารณาทักรู้ทักเห็นแล้วแล้วเล่าจนกว่าให้ใจตกลงว่าสัจธรรมของจริงสี่อย่างนี้จริงแกแท้ทีเดียวขึ้นมาในใจตามนั้นเป็นการสาเร็จ ผูกสีมาภายในได้เท่านั้นเหมือนกันกันกบผูกสีมาภายนอกก็มีอาจารย์ผู้ฉลาดนําพระสงฆ์ออกไปทักข้างนอกใบสีมาภายนอกพระก็รู้ว่าเป็นหินเป็นใบสีมาพวกโยมก็รู้ว่าหินก็ยังมีการให้ทักให้บอกกันอยู่เป็นหนอสองหนมีทักหรืออย่างนี้ไปจนรอบสีมาหลังนั้นแล้วจึงเข้าไปสวดลูกนิมิตอีกทักลูกนิมิตกีกจนสีรอบสี่จบ ให้เหมือนพระองค์สอนไว้หรือแสดงไว้ว่ามัคสีพ้นสีดังนี้จึงจะเป็นการสําเร็จกิจวัตรเป็นกบเป็นต้นของการปฏิบัติธรรมเอาตนให้พ้นทุกข์ได้จริงดังนี้ส่วนพ่อแม่นอ ก, พ, อนอกพ่อแม่ไหนนั้นพระอาจารย์สอนอาตมาว่าพ่อแม่นอกได้แก่พวกเราได้เกิดร่วมทันมาได้แก่ พ่อแม่อเมนุคุกเราได้เรียกพ่อแม่กันมาอยู่ทุกวันนี้พ่อแม่ไหนนั้นได้แก่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอันให้ชีวิตของพวกเราเป็นอยู่ทุกวันนี้เหมือนพ่อแม่มีความอุตสาหะเลี้ยงดูจนให้พวกเรามีชีวิตเติบโตขึ้นมานี่เหมือนกันส่วนพระอุปชาอาจารย์สวดขวาซ้ายนอกนั้นพระอาจารย์กสอนว่าพระอุปชาได้แก่จมูก มันให้ชีวิตเป็นอยู่ได้นี้พระอาจารย์สวดขวาได้แก่ตาข้างขวาพระอาจารย์สวดซ้ายนั้นได้แก่ตาเบน้ซ้ายนี้ยังเป็นอยู่นอกเพราะว่าตามหนังสือทำสามปลายกล่าวไว้ดอกถ้าพูดพระอุปชาอาจารย์ค้าสายกันจริงๆแล้วพระอุปัชาในได้แก่สติตัวรู้คือดวงใจอยู่ในถ้ำกลางอกนั้นพระอาจารย์สวดขวาได้แก่ตัวรักของใจ ความชังของใจเป็นอาจารย์สวดตายพระองค์จะได้ตัดจรูปก็พราะท่านเอาสติกับเอารักเอาชังนี้มาพิจารณาจนรู้รักรู้ชังเห็นชัดแจ้งว่าความรักเป็นการเนิ่นช้าไม่เป็นประโยชน์ความชังเป็นทุกข์เปล่าไม่เป็นประโยชน์ท่านจึงเอาสติเงื่อนสองคือรักกับชังนั้นออกจากดวงใจสติความรู้ของท่านนั้นขาดไปไม่เข้าไปยึดถืออยู่ ท่านจึงได้สัตยรู้มีดวงตาทิตยเกิดขึ้นได้เห็นธรรมะทั้งหลายจนได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้ า, าขึ้นมาก็เป็นเห็นว่าพระองค์ได้บวช ด, ด้วยตัวเองกอมีพระอุปชาอาจารย์สวดขวาซ้ายบริบูรณ์ขึ้นในตัวของท่านพระองค์ได้มาตั้งวิธีการบวชพุลบุตรให้เป็นการถูกต้องดังพระบวชท่านเองดังนั้นวุฒิประจำพระพุท ธ, ธาศาสนาของท่าน มาจนตลอดทุกวันนี้แหลอย่างนี้แหละพระออกลงพระอาจารย์ใหญ่มั่นท่านแค่สอนอัตมาจำได้มาท่านบอกถึงที่สอนว่าอาจารย์ผู้สอนธรรมปีติเป็นขรหัดเป็นคนขเมนเขาสอนกันอยู่จังหวัดสุรินทร์สอนผู้รู้สิทิ์เป็นบ้าเสียคนกันมาตั้งมากๆเขาเอาหนังสือทำสามไตร เป็นหลักสอนกันดอกดังนี้พระออกลุงถูกดังผูะออกลุงรู้มาไหมพูะออกลุงถูกถามแกก็เดินไปอย่างแรงแล้วแกตั้งตัวเที่ยงดีแล้วแกจึงพูดตอบว่าแหมแม่เท่าคุณหลานลูกเมื่อเท่านี้เป็นผู้มีวาสนามากปฏิบัติไปจอต้องได้สำเร็จพระอรหันต์แน่ทั้งจะได้มาโปรดพว ก, กยากยาิให้ค้นทุก พูดเสียอีกไปศึกษาความรู้ไม่นานเลยจำความรู้อาจารย์สอนได้ลึกซึ้งได้อย่างละเอียดละออเอาเสีย จ, จริงๆพระออกหลวงได้อนุโมธนากับหลานที่ได้นําคําสอนของครูบาอาจารย์มาสอนให้หมู่ญาติได้รู้และเข้าใจดีมากๆมันถูกเอาเสียทุกอย่างไม่มีผิดเลยดังนี้ต่อไปก็ได้ถามพระออกหลวงอีกว่า อันที่ว่าพราะออกลุงเลื่ปฏิบัติธรรมะปีติมาว่าได้เห็นผู้รู้ของตนคําว่าได้ผู้รู้แล้วนั้นผู้รู้เป็นอย่างไรวัดหกกกห้าที่บอกลุงได้นั้นเป็นอย่างไรพระออกลุงว่าผู้ที่ใครฟังว่าได้นั้นอาตมาก็พูดให้พระออกลุงฟังได้แล้วทั้งพระออกลุงก็ได้พูดรัปรอกว่าอาตมาอธิบายถูกต้องดีแล้วอันผู้รู้นี้ พูดให้อตมาฟังได้ไหมพรออกลุงแกพูดว่ามันได้พูดกันมาแล้วก็ พ, พูดกันไปเสียเถอะดังนี้แกจึงพูดขึ้นว่าผู้รู้ที่พ่ออกลุงได้รู้ได้เห็นและที่ว่าพ่อออกลุงได้นั้นคือพ่อออกภาวานานกำหนดจิตรวมเข้าไปจิตสงบเกิดความสว่างขึ้นนี้แล้ว เกิดเห็นเบ้าทองคำอันหนึ่งมีฝาปิดมีน้ำเต็มอยู่ในเบ้านั้นเบ้าและฝาปิดเบ้าก็ดีสุขสายเสียจริงๆไม่กาหนดจิตเพ่งดูให้ชัดๆแล้วจมองไม่เห็นเลยน้ำอยู่ในเบ้านั้ น, นจะสายแสงที่จะใสเมื่อตนเองอยากรู้อยากเห็นอันใดก็ดีหรือคนอื่นมาถามอยากรู้อยากเห็นของเสียหายบ้านอยู่ไม่สบายอย่างนี้เป็นต้น เมื่ออยากรู้เปิดฝาเบ้าออกดูลงไปในน้มามันอยู่ในเบ้านั้นเห็นอันตนอยากรู้และสิ่งของที่เขาถามอยากรู้นั้นอย่างแจ่มแจ้งชัดเลยทีเดียวนี่แหละก็ออกเห็นก็ออกรู้อย่างนี้และได้ผู้รู้นั้นถูกไหมคือหลานเขาปเจ้าจึงพูดขึ้นว่าเพระออกลุงเบ้าที่ออกลุงเห็นนั้นว่าเป็นผู้รู้นั้นมันเป็นใิมิตรสังหารไม่ใช่เป็นผู้รู้ อันผู้รู้นั้นได้แก่ผู้เห็นเบ้าและรู้เบ้านั้นและผู้เปิดฝาเบ้าแลลงไปในน้ำเห็นนิมิตอยู่น้ำนั้นรู้จักนิมิตว่าอันใดได้แน่นั้นเป็นผู้รู้ไม่ใช่เบ้าเป็นผู้รู้เป็นแต่นิมิตให้ผู้รู้เห็นและรู้เท่านั้นเองก็<ส><ญ>ออกลุงแสดงตัวแกนิ่งอยู่เหมือนใจจะขาดนิ่งอยู่หน่อยหนึ่งแล้วแกจึงพูดขึ้นว่า แหมบาดนี้คือทีนี้ละเอียดจริงๆที่พ่อออกพูดให้คุณหลานฟังแล้วนี้มันไม่ใช่ผู้รู้จริงๆแต่ก่อนพ่อออกว่าเป็นผู้รู้ครั้นต่อมามันได้หายไปแล้วจึงว่าเบ้านี้ไม่ใช่ผู้รู้อย่างคุณหลานว่าแต่มาเวลานี้มันเกิดมีขึ้นดังนี้เป็นผู้รู้ขึ้นมาในใจของพ่อออกพ่อออกเห็นว่าเป็นผู้รู้อย่างแน่นอนของพ่อออกเลยทีเดียว คือเมื่อผู้ออกคำจิตได้รวมดีแล้วเกิดความสว่างขึ้นมามองเห็นตู้แก้วสูงสอบคือกว้างหนึ่งสอบตู้แก้วนี้ใสแสงที่จะใสจนเอาจิตรวมอยู่นั้นเพ่งดูเกือบจะไม่เห็นในตู้แก้วนั้นมีพระพุทธรูปแก้วอยู่องค์หนึ่งสูงราวหนึ่งคือสี่นิ้วสูกใสเหลือประมาณจนจะนำผู้นิใครฟังไม่ได้ทีเดียวเพื่ตอตนมีความรู้อันใดก็ดี หรือมีใครมาถามอยากรู้อันใดก็ดีเปิดฝาตู้แก้วออกแล้วพระพุทธรูปอยู่ในตู้แก้วนั้นหาเคลตนาบอกมาให้รู้ทุกอย่างเลยอันนี้จะใช่เป็นความรู้ไหมคุณหลานถ้าไม่ใช่พระพุทธรูปแล้วและตู้แก้วอันพ อ, อ, อกลุ่มค้นหามาได้หลังนี้ที่เดาเราให้คุณหลานฟังมานี้ก็ไม่ใช่ผู้รู้อีกเพราะออกหมดปัญญาที่จะค้นหาต่อไปอีกแล้ว จึงได้ตอบพ่อพออกลุงอีกว่าอันตู้นี้ก็เป็นเพียงนิมิตเหมือนเบ้าทองคำอันพ่อออกลุงได้พูดให้หลานฟังมาแล้วนั้นเหมือนกันใครเป็นผู้มองเห็นตู้ใครเป็นผู้เปิดตู้นั้นใครเป็นผู้เห็นพระพุทธรูปแก้วและได้ยินพระพุทธรูปเทศนาและจำได้ว่าเป็นพระพุทธรูปแก้วเทศนาอย่างนี้ใครรู้อย่างนี้ม่อิจิตคือผู้รู้ ของผู้ อ, อกลุงวันใดมองเห็นรูปแก้วและพระพุทธรูปแก้วนี้หรือเป็นผู้รู้เป็นผู้เข้าใจในการที่พระพุทธรูปเด้จนาบอกให้รู้ผู้ออกลุงจานอ่อนสีแก้หมดปัญญายอมแพ้ข้าพเจ้าเลยทั้งยอมให้ไม่ออกของข้าพเจ้าออกจากธรรมะตรีติของแก่แก่บอกว่าแม่เท่าจะออกจากธรรมะของฉันไปขึ้นอยู่กับ ธรรมะพระไสรสณะคงของคุณลูกของแม่เท่าก็ไปได้ฉันยินดีด้วยพูดกันมาถึงบ่ายห้าโมงจึงลมเอยกันได้แล้วก็หยุดพักพอควรก็เลิกกันไปได้พวกออกรุงได้ขอตัวไปภาวนาค้นหาตัวรู้ของแกว่าจะให้เห็นให้จนได้สิ้นการโต ว, วัตีกับพูะออกจานอ่อนสีเพียงเท่านี้ คั้นวันหลังไม่ออกได้ออกมาเล่าเรื่องได้ปฏิบัติธรรมมากปีติกับพู้อ อ, อกลุงนั้นว่าจิตรวมได้ดีแล้วเกิดรู้นิมดๆขึ้นมาที่ใจรวมอยู่นั้นว่าตัวข้าพเจ้าและท่านพี่เท่านั้นเป็นลูกทีแปดคนนอกนั้นเป็นแต่เขามาเกิดร่วมเท่านั้นตัวข้าพเจ้าจึงรู้ขึ้นมาว่าผู้สนของแม่เราคงมาถึงแล้วแม่เราจึงได้พูดอย่างนี้จึงได้พูดกับโยมแม่ขึ้นว่า ไม่ออกว่านี่แต่สมาสองคนเท่านี้เป็นลูกของแม่ก็ดีแล้วแต่สมากับท่านี่สองคนนี้บวชแล้วว่าจะไม่จึกไม่ออกจะทําอย่างไรเล่าไม่ออกจึงพูดว่าก็แล้วแต่ลูกทั้งสองถ้าไม่สืกก็อนุโมทนาก็พระเจ้าพูดต่อไปว่าตัดสมาทั้งสองไม่สืกแล้วไม่ออกก็ต้องบวชเป็นแม่ชีปฏิบัติ อยู่เป็นผู้มีศีลธรรมอยู่ด้วยลูกทั้งสองอันไม่ออกว่าเป็นลูกแท้จึงจะถูกถ้าไม่ออกไม่บวชนิมิตที่ไม่ออกนั้นเห็นก็จะไม่เป็นของจริงเป็นนิมิตหลอกไม่ออกเท่านั้นเองไม่ออกจะว่าอย่างไรไม่ออกจึงว่าแม่ก็ไม่ว่าลูกจะให้บวชแม่ก็ยินดีบวชตามลูกเห็นดีทุกอย่างไม่ออกจึงปรึกษาเรื่องน้องสาวสองคนที่ยังไม่มีครอบครัวว่า น้องสาวของลูกทั้งสองคนยังไม่มีผัวอยู่นั้นจะให้แม่ทำอย่างไรเขาไปเจ้าตอบให้ออกว่าแม่ก็ว่าไม่ใช่ลูกของแม่เป็นแต่เขาเมื่อสายเกิดร่วมเท่านั้นก็ยังจะไปเป็นห่วงเขาอยู่หรือแม่ก็ไม่เป็นห่วงแต่ถ้าเขามีความประพฤติเสียไปเป็นคนไม่ดีแล้วชาบ้านเขาก็จะรังเกียจปิดเตียนแม่ก็จะไม่มีความสุขต่อไปข้างหน้า เป็นแต่ให้แม่ออกบวชในเวลาอัตมาทั้งสองได้มาร่วมอยู่ด้วยกันไม่ออกเท่านี้ก็เอาดอกส่วนการอยู่ของแม่ออกนั้นเวลาน้องสาวทั้งสองเขายังไม่มีครอบครัวอยู่ไม่ออกบวชแล้วก็ให้แม่ออกอยู่กับเขานั้นก่อนต่อเมื่อน้องเขามีครอบครัวหมดแล้วจึงให้เขาและปวกของน้องและพี่ๆไปทำกุฏิอยู่ริมวัดข้างใดข้างหนึ่ง และเมื่อออกจิ่งประยุกุติที่เขาทำให้นั้นต่อภายหลังก็ได้ดอกวันหลังตัวข้าเพาเจ้าและท่านที่ก็ให้ไม่ออกรับพระไตรปนคคมและปวดเป็นชีรักษาศีลแปดเสร็จเลยท่านที่ก็ได้ให้ไม่ออกรับพระธรรมะไตรานาคคมบวดชีเสร็จแล้วอยู่ร่วมกันไปอีกแปดวันท่านที่ก็ได้ลาไปเจวิเวทําความเพียร เพื่อประโยชน์ตนต่อไปส่วนตัวข้าพเจ้าได้อยู่สอนไม่ออกและพวกญาติให้เข้าใจในข้อปฏิบัติธรรมและพระไตรสนาคมและศีลอันเป็นของเกี่ยวเนื่องกันกับการปฏิบัติธรรมพระไตรสนาคมให้ถูกต้องทางค้นทุกข์อยู่ในระยะยี่สิบวันเห็นว่าไม่ออกและพวกญาติเข้าใจดีในข้อปฏิบัติแล้ว ก็ได้ลาไปเทีย่ยวทุดงทำความเพียรเพื่อประโยชน์ตนเกิดขึ้นต่อไปต่อไปนี้ไปก็ได้เดินทางบนเยี่ยมไม่ออกปีละหนอยู่สอนไม่ออกและพวกญาติเห็นว่าตัวใจธรรมะดีพอสมควรแล้วจึงได้ลาไปเทีย่ยวทุดงตามเคยมุ่งทุดงทำความเพียรเพื่อความ้นทุกข์ไม่ได้ลาแม่ออกไปทุดงแล้ว ได้เดินเข้าไปในโดมอีกแต่องค์เดียวปฏิบัติอยู่บ้านนายุงของเก่าที่เคยอยู่มาแล้วถึงเดือนหกข้างขึ้นพูกโยมบ้านนามีเกิดโรคอหิวาตกล่องท้องกันมาแต่เดือนสี่แก้กันด้วยยาไม่หายไปนิมนต์พระอาจารย์ใหญ่มั่นให้มาสวดประงับให้โรคหายท่านก็ไม่มาท่านดุกเขาว่าไม่ฟังความที่ท่านสอนไว้ท่านสั่งเขาผูไปนิมนต์ว่า ให้ไปนิยญมนเอาท่านอ่อนมาสวดให้เขาก็ไม่ไปเขาได้ไปในมนมนพระอาจารย์ใหญ่ถึงเจ็ดครั้งท่านก็ไม่มาให้เขาแต่ท่านก็สั่งให้เขาไปนมิมนตัวข้าพเจ้าอยู่อย่างนั้นถึงครั้งที่เจ็ดพวกโยมเขาจึงไปนียญมนบอกว่าพระอาจารย์สั่งมาให้ในมิมนท่านไปสวดมนต์ข้าพเจ้าจึงพิจารณาว่า จะไปดีหรือจะไม่ไปดีเขาจะมีใจเาคารพเราสวดมนต์คล้อยหายโรคเขาหายได้หรือประการใดชินติถามเขาทุกประการเขาก็รับว่าจะตั้งใจฟังและเาคารพรรมจินิิเกิดความสงสารเขาขึ้นมาในใจชินติสวดมนต์บ้านนามีได้สวดมนต์ให้เขาอุลาสวดมนต์อยู่นั้น มีคนลงท้องมากจนจะตายอยู่สี่คนผู้หญิงหนึ่งคนผู้ชาย3ามคนสวดมนต์องค์เดียวเสร็จประมาณสามทุ่ม้นทางไปตามลงไกลหน่อยหนึ่งถึงวัดทีด่รีบกลับวัดผู้โยมที่เป็นญาติของคนป่วยเอาน้ำมนต์ที่สวดไว้นั้นเพื่อให้คนป่วยกินก็หายจากลงท้องทันทีคือ เป็นโรคค้องร่วงเหมือนที่พยะโอสดหายขาดเหมือนปลิดลิงเถียเขาจึงมานิมนต์ไปสวดให้สามคืนเสร็จจากนั้นแล้วก็เดินทางออกจากดง ม, มากราบมรดการพระอาจารย์ใหญ่มั่น